ได้ยืนวาา่ารับพ่าผานนำพันศาก็ต้องถอนออกดิผ่านํำฝนป้องกันลืมตามกำหนดเพื่อกดมาเทศกระถินอันป้องกันลืมก็พอจะออพัออนศาก็ผ่านํำฝนแบบได้ถอนออก ใส่ใส่ผาหลายอันหลายอย่างก็ได้ต้องเพี้ยนออกไปเป็นผาหูนอนเรีกว่าวิธีเพี้ยนออกไปวัจุออกเราบอกอธิษฐานขึ้นเป็นผาปัดจัดรณนั่งเพราะผาน้ำผลผลธรรมญาติใส่ถนึ่งเดียวเวลาดเดียว <c oughs> ส่วนผาหูนอนก็เรียก ฝืนรายฝืนได้เราเรียกสีสียังก็ได้ผ่ากันเปื้อนผ่นาปูน้องนี่สื่อปัดจัดทรนั่งผาทุกทิศ น, นี่สือ่อมดผาน่อยผาปรขาหลาจวล่ง่างก็ผาป <c oughs> ัดจดทรนั่งลูกมากใส่ปัรนั่ง ป่าสวนมากวางตานเพราะเขาใจป่าสบวงที่วัดใส่มันจะเป็นบาบริขารบาบริขานต้องผ่าน้อยบริขารจมวัลลังป่าไงมันเดกจัดพลังงากําหนดว่วงไงไงถ้าได้จะใช้ได้นี้ยังได้จะใช้ได้ปูไวํมรับปูนอนกันเปลี่ยน ไม่ได้ถือาถือข่ต้องมีของตนเองใสของทวนกลางต้นสงบนัดนเราจะนั้นก็ต้องรักษาไว้พระธรรมวินัยนี่ปัญหาแนนว่ารักษาตามธรรมวินัยเลยหัดแย่งกันบอกกับวงใหญ่ก็มมหาวงหน่อยหัดแย่งกันท่านกมเห็นบ่าลุ่งเดียวกัน ก็คือกันคิดก็คือกันลำลึกก็คือกั น, น, นแต่ก้อนก็มีตะหานิกายก็แม่เผ่อถ้ามยุตปฏิมาแยกออกปฏิบัติปริยัตรหรือว่าคำว่าพะระเลี้ยนกับพระว่าปฏิบัเขาไม่ละเขากันก็ไปคิดกันไปอันตัาตานาหน้าไปตามพวกปฏิบัติแล้วไป ปฏิบัติก็ว่าปฏิบัติปวกเลี่ยนก็ว่าตามเลียนเว่าดเดเลี้ยนมาแล้วก็เหตุไปตามเลียึ ง, งตัวบัดอย่ลืมคำขอ ง, ของกุญเจว่าเป็นแน่นหนักเท่าไหร่หรอพระทูดงพระทูดงรักษาขอวัดปฏิบัติตามคำสอนของพ้าพเจ้า <c oughs> จึงคนองอนุญาตถึงจะอนุสสนรแล้ว นิ่อากรณีก็บนั่นฤิาตรของพระผูสูงขวัเหตุควัรพระผสูงบกวนเหตุบกวนธรรมก็มีสีวเหตุควรรมก็มีสีฤทบาตเรื่องคีพอยู่ค้นตนไมฉันจะร้องโด้นาำมอดหรือพาบางสกุลเป็นวัดเดันนี้ก็ อยู่นตนใหม่ก็จ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะเมืไปแล้วไปยุคติกุตังยุยังไปก็แล้วแต่ละบัดเกิดก็ไปเลยเมืไปอันนึงเลยหากิากดแล้ว อ, อยู่นตนใหม่จากเมืแล้วแต่ละบัดเน่าอื่นไปอีกหรือบัดบัดไม่แยกออกเป็นตุรงอีกขอตรงสิบสามขอขอทีนักตึกนักถือปฏิบัติอันนสั หลังข้างเดียวบกไฟนอนเี๋ยวบาทเรื่องทีภาชนะเดียวสำรับเดียวเดี๋ยวขอจะย่อยนิดนิดหน่อยน่อยเนี่ยถือผาบงสกุลมือนึ่งแล้วถดงกระบาดถือถืดงมันพวกนึงกระบาด ออกไปยงที่แต่ว่าการปฏิบัติเปนว่าเอาไปตามทูดงได้บัดไปได้ออกป่าก็ไปทูดงไปเที่ยวทูดงไปเที่ยวทูดงว่าเที่ยวทูดงไปเที่ยวได้อยู่แต่ว่าขอที่ปฏิบัติก็ต้องรักษาไว้คือเขามีเหตุตามใจวัดเดินทางไกลฉันสองเท้าว่าเอากันเดินทางเท้าแก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อ้างไปแั่แล้วมันดีก็เลย พลงเล่นกันแต่ไหนพวกหนึ่งสันเเดียวพวกหนึ่งสันสองเตีววก่ตตวกวาไปละไม่ได้สันเพว่าของว่าหรือว่าเขาต้มขาหยังกวาไปเอาแต่ิดวาไปเริ่มขอไปตั้งแต่ท่อประตูแล้ว <c oughs> ันเพเหก็บว่ให้ขะแน่นสัเพราะเหตหน่มาให้ขแน่น่าัา <c oughs> ่นนีด ไปทางลองไก่คนก็ไปไงแล้วบัดพุ่นกัเฮ็ดพุ่นกับาเฮ็ดตัวพุ่นกับาเฮ็ดตัวจะไปเลี้ยวตานั่ น, นตั้งไหนว่าตัวฟาเฮ็ดตั้งไหนตงเหียตันตั้งไหนไปทางไปทงางทามันไงได้บัดไปไหลไ ป, ไ ป, ไปเอ้ยไปกระเทียบตดนด้วยเอ้ยหอดะตูปัจไปประเทยบตะเดนหร ไปตั้งแต่มันไหลไปไงเพราะจากท้วนโดยเฉพาะผู้ที่เน้นหนักภาคเข้ามาบวชหนีสงสารต้องยึดไวปที่ฝันนี่นก่อนเพายึดฝอนนี่ไปเ็ตามใจชอบไปได้นี่น <c oughs> อบวชฐานบวชชุกบวชสนุกให้ห้าบวชข้าบวชกายบวชตายเป็นเพจบวชเต็ดตะกอบวชร่อศีกาเอาคิดดู <c oughs> เสียสละทั้งชีวิตนึงอยู่อดเลนอดหัวอดอย่างต่างๆหน้าๆเพื่ อ, อสิอะไรสิเพื่อว่าจะ พ, นนพนน้นทุกข์นันคืพ้นบ้านบรรทุกนั่นก็บว่าใดหนิวแน่ก็บว่าใดอดแน่ก็บว่าใดนันคือพ้นบ้านคิดเพงเตียตหน้าที่้องเสียตละของมามึงรู้บางทตอนนี้ก็โอย ตามใจชอบตามใจฉันชอบแล้ววัดเพราะฉะนั้นพระพเจ้าจึงต้อ ง, ตองอนุญาตต้องให้ชิดให้อ่านให้ําริหายากที่สุดนีาา่คือพร ะ, ระพุทธเจ้าหายากที่สุดคือพระปัิเอกพุทธเจ้าน้วก็คําอีกคํานึงของพระพุทธเจ้าทำที่เราตถาคตได้ตัรุษยากิสามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ ว่า <c oughs> ดิบคำของพระเจ้าไม่มีปัญหาเหมือนว่าดคำของพระเจ้ามีปัญหานั่นเหมนว่าสันโนมเดี่ยวสันต์สองก้ยก็มีปัญหาอยูสนน่สันต์เเมื่อที่ควมดำริของพระสงฆ์ก็คือกันมาตามใจของตองนเองจำริหาตะเรืองงงเขาทานอมค้ำของพระเจ้าว่าพระน้องามากักงงพระก็มักงงอีกต่าง่างที่เป็น แนะน้ำสั้างสอนบอกให้บังรองสมานสามากี้ยังภาว น, น่านี่ก็บแปลว่าตักเตือนกันฟังควมกันตักเตือนแล้วพอฟังควมกันสบซ้ำกันก็เอาเล่นแล้วก็เกิดประโยชน์บ่มีหฮลิมีความเก่งกลัวมีความละอายต่อบาปก็เปลี่ยนไปนั่นก็จังค่าของคนนั่นล่ะของพระเจ้าเสื่มไปเสื่อมไปเสือเส่อมไป ทั้งโลกก็เสื่อมไปเสื่อมไปบ่มีเฮลิขวมเก่งกลัวละอายต่อบาปฆ่ากันป่นกันจี้กันเอารัดเอาเปียกหลอกลวงปีนป่อนโกหกโกล่มยักจอกอย่างกันมานนึ่งึงพื้นญี่ปุ่นใจไปทางบดีมันเกแลยวก็เขาเจ้าใจบดิบเขาเข้าใจว่าเจ้าของนังดิถูกตัวนี้ไปนะ่ะมุดิเขาทำานอของเจออง้านว่านก็ยากศึกษามันชนคนธรรมดาจะทาได้ เอาแต่ความถูกใจแต่ความถูกต้องบม่ได้คิดว่าถูกต้องตามความดําริของผู้บรเจ้าตามความรำลึกของตนเองสิทธิละก็มาบวชบ้างมีปัญหาก็มาบวชมีปัญหาก็มากก็ติบวชมีปัญหาคือเก้าติดโปริแก่พอแก้ติดปัญหาดูคนเดียวระวังความเชื่อยู่กับเมตระวังคํำพูดนะ แต่วังบระวังช่วงหนึ่งช่วสองก็ทะเลาะกันสายก็ไปอีกทะเลาะกันนั <c oughs> บนบวกยตดําลิข่างที่ชอบที่ถูกต่อบวเอาคำนึงถึงความถูกใจรวมนี้เอาแต่ความถูกใจมันเป็นมาจากคนที่มาบวก็มาจากบ้านเนาะบเยี่ยนนืบใสออนั่นทำงานเนืบใสขอเนิบใส ขอเนื้อใสน้ำพ่อแม่กูปปอาจารย์ออกจากอุปชาติขอขอนิ้อใสน้าพ่อแม่กุปปอาจารย์ปไปเหเียกเฟนหาแวงหาพ่อแม่กุปปอาจารย์ในจลิตนิ้ัยสถูกต้องพราะที่ได้ปฏิบัติเข็น้ำทําตามนั่นแหะก็แบเปลียนนิสัยดังเดิม <c oughs> ตามข้อปฏิบัติในรมเนนิขาแปนแล้ววัดนี้เรามีเพศแตกต่างจากกลืหัดแล้ววิทยาอาการกายวาจาใจถึงได้อันบรรพกิตควรประเพติอ <c oughs> แหวงหาศีลหาธรรมบุญวิเศษของตนมีอยู่หรือไม่เมื่อเวลาบรรพชิตถามในถามในภายหลัง <c oughs> มองมาหาตัวนี่ใช้ใจเจ้าของตัวันจารย์บอก่ามีปัญหาจะกปเอาตามใช้เรื่องนั่นเรื่องนี้มันมีปัญหามันก็มีปัญหาหมดแหละเพราะเหตน้ำสิน้าทํามใน้ำสิน้ำท่อมผมมีปัญหาดูหลายตัวเลยผมมีปัญหาอันอันจะเรียยกกเ้ยนเสร็เดี๋ยวปเดี๋ยาบชี่ยแล้วเป็นรอยแมันสายเจริอยสองรอยประเดีวเบายา พอแต่ละแต่ละลูกมากสำหรับ ส, สร้างสักฟองจิตใจตนเองอยู่นั่แนวทางของพ่ อ, อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปดีทันตัวก็ไม่มีปัญหาทันตัวเดี๋ยวนีปัญหากับเขาต้อนั่งทั้งโลกลูกปากยากพ่อแม่ปากเปียกในทั้งโลกทั้งทำกันละ ่ฟังพู ก, กันก็แปลว่าเนี่ยปากยากพระพิจูพูดยากสอนยากขับไล่ปั๊บผ้าชนียกรรมเน่เยพบเปนิยกรรมทรมนรทรมันตะกอนธมนอะไรปั๊บ้าชนีกรรมไปออกเปนมีเป็นแตงขอดเอาใบเอาออกคือกันคือเก่าน่ยคือกัน แล้วนั้นเงไงผมร อ, อมาสาคีกันกันะนั่งจสูสามัคคีนั่งตะโปสขความสามัคคีจึงมีความสุขนะแต่ต่สามัคีกัหัวจตัเฮตี่แตกแยกกันกิจกดจัวใจตัจว้านะ <c oughs> เาจงังยากโยงพอเห็นแบบพสามัคีกันก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเที่ย ว, วนั่นเที่ยวนี้เที่ยววานนั่นวานี่ก็มีความสุขยังได้ั้ อยู่น้ำกันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วกัดนี้เราใกล้กันถึนหน้ากันกับมาจากสันน้ำกันจนตัวมขัดใจกันอยู่ดีดัแน่นี่พ <c oughs> <c oughs> ย, ยายามเน้นหนาภาคปฏิบัติยึดถือเอาไว้ล่ะสามกีนั่งตะโปลสุขโขจะ <c oughs> คิดบตำดิในทางที่แตกแยกเก็ ลำดีที่ป้องรองสมานสามัคคีน้ามหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันเผยแผ่วัฒนธรรมโดยเฉพาะคำว่าพระป่าวัฒนธรรมของพระป่าเนี่อนเครับ่รักษาเมตตไปตามคำของกุศล ว่ามีรักษาตะแคงจะกน้อยต <c oughs> แล้วเขาเจ้าจะได้เพิงผ้าอย่างลรายโยมมีเรื่บอกไปบอกไปตามกิเลสว่ได้บอกไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนโยมผ้าเห็ดว่าทําไปตามกิเลสคนจะท่ายกหลงทางน้ากันโยมแตหลงทางน้ากันโมจาที่ว่าจะสอนหลงทางผ้าเห็ดหลงทาง เมื <c oughs> enfin the ่อเขานั่นตัวหันยากพีสามันชนคนธรรมดาจะทำได้สมมติว่าในเบื้องมุจักบุญโบจักเนีทางของพระพุทธเจ้าคนไดสิ่งที่ทมาแบบไหนเป็นเหตุไวแล้วก็ไปเขียนเอาทองเอาทองเอาทองเอาทองลัก็วงบตรทำตีทำโททําเบกได้ประโยชน์เท่านั้นตัวนี้ก็ว่าไปน่นบัตเหตุไปนีนึงปาก วอกแนวนึงบาปกางกัทถ้ไปแนวหนึ่งบากกา่เป็ น, นปล่องเดียบร้อยกันเรียบบัาเป็นถ้ำหัวใจเป็นยับตามเหตุผลของกูเจ้าบาเสร็จว่าจงังใดใจต้องเหตุตามนั้นตามเหตุผลของกูเจ้าแหะว่าผิดก็บผิดล่าทุกกับทุก์ผิดเปนังไใบัดกเป็ปนั่นใดบัดหัวใจผิดจังถึงบ่ ยีปัญหาโลกแตกทุกมื่อก็เพราะว่าบ้องจักคิดจักถือหรือบ้องจักบาปจักบุญบอจักสวัสด์นรกบ่เคยบังบุญถิ่จักบ่บานออเมื่อทำ้อมตงอภิเกเมื่อจักบ่กอื่นยิ่งกว่าขมตงอกดิแต่บุหอยู่แต่มุวุยองใจจาของเราุไหวยองมูยองวอีก ้องกันกดีทะเลาะกันดีนั่นตินั่นวกตามกินนั่ง <c oughs> ต้องเข้าใจต้องละเอียดโดยเฉพาะรูตังประเทศทุกทีแลละแน่ท่าแน่หจที่เป็นไปเพื่อญาญโยมเขามีศรัทธาผมเป็นทำไรศรัทธาช่วยกันรักษาศรัทธาอันบรสทธศรัทธาเขาก็บเบือ่อนาย ขนติรไลนีเพระาะว่าเป็นพระขนติรไลนีผู้นึงเป็นดักเอาไว้ค่าของใจจงสั่นบริาจาคเลือกสายละเอียดอะไรเป็นจนติรไนี้ก็ว่าจะของเถื่อนนี่แบบมันยากอยู่ที่เข้ามาตัดถึงใจถูกต้องถูกใจดิเป็นจังไหววางสันฟั ง, งารายละเอียดยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทําได้ถ้าจิตเป็นคนธรรมดาหรือเหนือคนธรรมดาต้องตรวจสอบตนเอง ตนเตือนต้ น, ต น, ตนไม่ได้คแค่เลาจะเตือน่าเนี้เอาละเอียดต้องรู้านถึงละเอียดต่อไปนี่เขาว่าบาปก็บุญหรือว่าทำดีทาสว่านหนูจักว่าทำดีนึเรื่องจำไปนั่งเต็มไปเมนเขาบอกว่าทาดีเขาก็ว่าทำดีละเอียดเลยทำของโปรา ไปป่นไปจี้ไปคาไปตีไปคดไปปวงไปขโมยไปหลอกไปร่วงแต่ว่าทำดีนะทำดีเหตุผลของพระเจ้าทำดีมาเดือดร้อนตอนเองและคนอื่นเดือดร้อนตอนเองและคนอื่นก็แต่ว่าทำบุดีแล้วเีวที่ที่ของทั้งโลกทั้งสงสารทัมม้มื่นก็เต็มแนวให้คนใจแตก นี่จะทำไปค้นปวดหัวทำไปค้นบุญไหายโลไคไฟกระเจ็บโลกนั่นโลกนี่ก็ไปจากนี่แล้วใจ บ, นใจบ่นิ่งใจพ้นสงบก็กดดันตัวความดันความดั น, น αι, มีแต่เนี่ยมากดดันมันก็เกิดความดันตัวบอกปล่อยบ่กว่างมันจะถ่ายตัวอยู่ในความบุ่นหว้นั่นเขาทำนอง หลวงมีหุ่นไวหวเนาะคนเ่อมักอุ่นไหวหรือคนห่อมัก ย, ยากยุ่งยากงงยากนั่นว่เป็นยากของผู้เดียวที่บัดยากผู้เอิญนั่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นผู้ทําใจได้ก็บผมีปัญหาผู้ทําใจดได้ก็มีโน่านานั้ น, า น, านมีโนนีานานเน้เห็ุทังทั น, นเทั้งที่ไปอีกแล้วบัดผู้มีปัญหากับวย ใครรักใครช่างช่างเขาใครดา่าใครบ่นทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอพฤศิคันคิดพฤศจิกนปูงแตงพฤศจิกันว่าไปก็ว่าไปที่ปูงไปแตงตี่วุ่นวายไปนะที่ปลศจยว่างมันอยู่น้ำกันโดนเราจว ก, ก็ต้องตายจากกันหรือทำให้กิลีลดตายจากหวัวใจนั่นเะองนั่นแสดงวาเกิดนิงเส้นแล้วมันมีอาการเกิดมากเกิดดับเกิดดับ เดี๋ยวเกิดความดีใจเกิดความพดีใจเกิดความดีใจเกิดความเสียใจมันเกิดเพราะนา